ผือนานายเหมือนเป็นร่มาสเย็นใจพระเนนและโยมมากมีขอล่วงพันศาที่สี่ขึ้นสิบสี่คำเดือนสี่สองสี่เก้าสองทันและท่าตรองเริ่มจะมองพลันพระอาจารย์มันป่วยลง และเน้นต่างพระวงจิตเคยมั่นคงต่างองต่างมีกังมนด้วยคิดห่วงใยญ่อยู่ในกะมนประวนลประไว้ห่วงใยญ่ในพระอาจารย์ เจ็บป่วยโดยทั่วไปมีไข้และไอรุมเข้าะสมกันต่อมาอาการนับวันส่งกับสุดเรือยไปทันบอกทันทีไม่มียาใดจะมารักษาได้เลย เอ ว, วดาัานพร้อมชานฟ้าลงมารักษาไม่ได้หรอกเออท่านเคยเตือนเตือนเอ่ยให้รู้เลยลวงนามาตั้งสามปีนาจะรู้ดีนี่ก็ถึงวันอีกไม่นานนับแต่นี้ ป่วยนี่ครั้งสุดท้ายไม่มีวันหายอย่าไปอะไรกับมันเป็นวัตถจักที่เขาทำงานในกายพลันเรื่อยไปทั้งวันและคืนย่าไม่มีผลนั้น สนิทกลมลืนคือฟืนไฟนั่นแหละเป็นทองแน่ท่านพูดกล่าวเตือนไม่มีเชือช้อแฉไม่มีพันแปรเป็น่น แม้ท่านจะได้รับความลําบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพสุดลงเป็นลําดับก็ตามแต่การบิณฑบาตฉันในบาตและฉันมือเดียวที่เคยดําเนินมาท่านก็ยังอุตสาห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสุดสายบิณฑบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลําบากมากจึงขออารัธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับ จนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณฑบาตบนสาราโรงฉันและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราด ช, ชาตอาชาัยอาการของท่านรู้สึกหนักเข้าไปทุกวันท่านจึงประชุมเตือนบรรดาสิทธิให้ทราบผมน่าต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไวแล้วหลายครั้งแต่การตายของผม เป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วตัวไปอยู่มากถ้าผมตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจํานวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี่ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนคร เพราะที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่ฉันนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจํานวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันและแล้ววันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกหวั่นไหว เพราะความวิปโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักรเคารพเลื่อมใสก็ได้ระบาดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้วันนั้นคือวันที่ประชาชน ญ, ญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านพระอาจารย์มั่นที่บันไดกูดีเพื่อหามท่านออกจากวัดหนองผือไปสู่สกล น, นคร